สัพพปาปัสสะอาการนังกุสลสสูปสัมปทาสจิตตปริโยธปนังเอตังพุทธานศสาสนัง การไม่ทําความชั่วทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งการชําระจิตใจให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ขอสรจเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมสุสันติก็มีโอกาสกลับมาพบกับสาธุชน ผู้ฟังอีกเช่นเคยทางสถานีแห่งนี้ครา้ที่แล้วอาตมาได้นำเสนอธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความขึ้นลงของชีวิตซึ่งเป็นธรรมะในส่วนของปุกขาธิษฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แสดงไว้แก่พุทธบริษัทได้รับฟังกันเป็นเรื่องราวของอุบาสกท่านหนึ่งในพระพุทธศาสนา และก็หล า, ลายเรื่องที่พระอาจารย์ท่านได้นำเสนอได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของการกระทาคือกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลได้ทำมาในอดีตและส่งผลในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าบุคคลทำกรรมเช่นไรประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรผลสุดท้ายกรรมดีหรือกรรมชั่วนั่นแหละบุคคลนั้นเองจะเป็นผู้ได้เสวย ดังที่พระบาลีตรัสรับรองว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่เราได้ยินอยู่เป็นประจำนั่นแหละทำอย่างไรได้อย่างนั้นแล้ววันนี้เราก็จะมารับฟังข้อความของธรรมปฏิ ย, ยในเรื่องความขึ้นลงของชีวิตก็เปรียบเทียบหเห็นถึ ง, งการทาความดีความชั่วซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้แสดงเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติกัน เป็นธรรมะบรรยายของพระอาจารย์มหันตผลเศรษฐธัรมโมอาตมาได้นําเสนอแด่ท่านผู้ฟังแล้วอาตมาได้สามตอนแล้ว ต, ตอนนี้เป็นตอนที่สี่ตอนสุดท้ายขอเชิญประสาชนทุกท่านุดท้ายมารับฟังสนารธรรมจากธรรมะบรรยายที่อาตมาจะได้นําเสนอเรื่องความขึ้นลงของชีวิตดยพร้อมแก่นหน น, นนี้ของชีวิตได้เล่ามา นามกาลีแก่แก้วเป็นพนภรรยาท่านนคนนี้นไม่ใช่ลูกของไม่ใช่พ่อของท่านนะท่านโนเขาข้ามาทั้งเท่าไรเท่าไหรเท่าไร่เท่านั้นดูเมกระดับทั้งสุดท้ายที่ไปเนี่ยเขาออกจดของท่อยู่ฆ่าท่านนี่ลุกแต่ภรรยาประมานท่านท่านจะก่อนนะจะรอดมาได้ในความเหนเศรษฐีเนี่ยมันอาจจะยันใจเป็นกัน รู้ข่าวรู้่าตัวเองไม่ใช่ลูกของเศรษฐีรู้ว่าเศรษฐีตามฆ่าอยู่ตลอดสลดสังเวชเัยเมยโอ้สลดเขาทำไปวเวรื่อยกันตั้งแต่นั้นมาก็เลยสลดสันเวช <Okay. S 2> พอได้พุทธจักรเด็ดมาที่เมืองอยากันพุธโดนอันดีอารว่าแต่ก็<า>เริ่มอะไเขาเริ่มบุญไปนั้นมาเริ่มวัดชื่อโคสิตา ทำบุญอมทานมาตนอไม่ประมาททำบุญสุนทราอดมาจากมาได้เป็นนะน้ำเน็ตเจ็จถูกเขาทิ้งถูกเขาตามค่าเจ็ดชาเพราะตัวเองทิ้งลูกด้วยเพียงว่ามันเลยอยู่กับภรรยาปพรมีลกอีกทิ้งมาที่เธอทิ้งลูกเป็นชาติลูกถูกเขาตามล้างค่าดึเจ็ดเจือเน่บุญ ไม่ความเลื่มใสในพระประเจตน์เจ้าร่างจริงจริงเขาได้ถึงตําแหน่งเศรษฐีรอดพ้นทุกครั้งที่เขาจะฆ่ากรรมชั่วก็คอยจะทําลายกรรมดีคอยกับกรรมอันไหนหนักกว่ากรรมอันนั้นให้ผลดีกว่าสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้สทางที่ดีที่สุดแล้วกรรมชั่ว ลาสิเลยดีกว่าอยากไปทำดีอีกส่วนเท่าที่เราจะทํยิีงเรามาปฏิบัติธรรมยานี้อีมีรูปส่วนศาลสิทธะปฏิบัติอาให้ดีพระเจ้าว่าสมบัติจักรพรับขอพระราชาจกพันสมบัติสุดยอดเจาของพระราษฎร์สูงขึ้นเขามีสมมากซึ่งมีรัตนนาฏบูขสวมมาเทา เล์เที่ยงคืนสีมูโบกดสีแดยงวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าอายุของมันนั่นเพราะว่ามันอยไปนมนุษย์ห้าสิบวันห้าสิบคืนมืองมนุษย์จะเป็นแค่วันหนึ่งและคืนหนึ่งของยเรวจาตแค่วันตกับมนุษย์แต่ร้อยร้อยวันร้อยคืนวันหนึ่งและคืนในเมืองมนุษย์พึ่งเป็นวันเดียวของยูชันดาวดิบชั้นสูง ไปก็ทับทุบไปเรื่อยการเป็นพระราชาในเมืองมนุษย์เนี่ยถึงไม่จะสมบัติมากขนาดไหนแต่เดี๋ยวเดียวก็ตายมมันเกิดแก่เจ็บตายอยู่สู้เป็นเทพไม่ได้คนรักษาอุโบสถได้เกิดเป็นเทพอายุยืนนานแสนนานแต่พระราชาจักรพรรดิตายไปแล้วก็ไม่รู้จะได้เกิดเป็นจักรพรรดิอีกหรือเปล่าจึงสู้การสมถานศีลไม่ได้แต่ที่สําคัญคือเราได้ปฏิบัติธรรมทาจิตให้ใส่ แน่นอนแหละมันต้องไปดีแน่ๆทำบุญกุศลด้วยโมทนาบุญกันด้วยมันยิ่งทับทวีอย่ามุ่งถึงว่าปัจจุบันในชาตินี้ว่าเรายากคนยากจนทํำไม่ตด้ชาตหน้ามันมีเราสบายสาธุชนก็ได้รับฟังคติธรรมจากธรรมบรรยายของพระอาจารย์มหานทพลเศษทะทะทะรษฐธรรมโมเปรียญธรรมเ้าประโยคจบไปแล้วในเรื่องความขึ้นลงของชีวิตวันนี้ธรรมานํามา สู่ท่านสาธุชนได้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอัตบามีสารคดีธรรมเรื่องหนึ่งที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคติธรรมหรือสภาพธรรมที่พวกเราจะต้องพบจะต้องเจอกันทุกคนอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนั้นคือความตายไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะได้พบกับมรณะภัยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมาถึงเมื่อไรลองมาฟังบทความธรรมะเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพื่อสาธุชนจะได้ขอคิดอะไรดีๆจากธรรมะที่อาจมาจะได้นำเสนอขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังพร้อมกัน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 เพราะการเกิดส่วนใหญ่นำมาซึ่งความปีติยินดีของบุคคลภายในครอบครัวและคนรอบข้างญาติสนิทวิสายโดยเฉพาะมารดาบิดาแต่ความตายนำมาซึ่งความเศร้าสลดเสียใจอะไรของบุคคลรอบข้างและตนเอง ความตายจึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรานานาของบุคคลทั่วๆไปข้าพเจ้าขอให้ท่านลองนึกดูว่าท่าพรุงนี้ท่านต้องตายโดยตั้งนาฬิกาไว้เวลาหกโมง้า ถ้าเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเมื่อใดก็แสดงว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องตายท่านลองเลี้ยวมองดูเวลาดูอีกทีสิว่าเหลือเวลาอยู่อีกอกี่ชั่วโมงและเวลาที่เหลืออยู่นี้จะควรทำอะไรบลังข้าพเจ้าขอลองให้ท่านพิจารณาดังต่อไปนี้ ที่หนึ่งตรวจ ด, ดูสิ่งของสำอาระเสื้อผ้าที่พอนำติดตัวไปได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองบัตรเครดิตบัตรถอนเงินด่วนใบประกาศเกียรติคุณโล่เกียรติยศปริญญาแก้วแหวนเพชรพลอยว่าอย่างไหนพอนำติดตัวไปได้บ้าง หลังจากตรวจดูอย่างท้วนทีแล้วถ้าพบว่าไม่สามารถที่จะนำวัตถุสินของเหล่านั้นไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว<ป>ก็แสดงว่าท่านเริ่มเข้าใจความตายและพร้อมที่จะจากสิ่งเหล่านั้นไปแต่ตัวเหมือนอย่างที่ท่านมา ท่านลองตรวจดูบัญชีอุ่นบัญชีบานท่านเคยทำว่านีเช่นการเป็นหนี้การก่อเวรการสร้างความลำบากให้แก่ใครๆก็รีบเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปขอโทษให้เขาเอาหัวติกรรมแก่เราอย่าได้จองเวรกันเลยม่หนีมีสินก็ใช้ให้หมด ให้เขาจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นศินต่อไปหลัเคยเกินใครรีบรวบเขกามาลาโทษได้ยิ่งดีแต่หันมาดูบัญชีบุญบ้างเคยทำบุสุนทรภานรักษาศีลเจริญสมาธินวนากรรยังมีเดชให้รถขลงบ้างหรือไม่ลดลงสาเคยจงตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้บุญศนที่เคยทำมานั้นส่งผลให้เราไปสู่สุคติพบคือภูมิที่ดีมีมนุษย์แหล่งเทพเท ว, วดาพรม่มอรูปรกรมถ้าไม่เคยทำสร้างบุญสร้างบุสศมาเลยก็ขอต้องจงตั้งใจเพื่อสุดท้ายใน้สลักทรัพที่ท่านสลักได้ให้เป็นทานตั้งใจรักษาศีลดย่เร็ ข้อที่สาดูแลสังเสียคนรอบข้างทั้งสูงกว่าและต่งกว่าอย่าให้มีอะไรข้างค้างหรือหูใหญ่หมรดกหรือพินายกรรมก็จงแบ่งให้เรียบร้อยพร้อมกับสั่งเสียว่า อย่าลืมทำบุญบุธิดส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เราบ้างโดยเฉพาะบุญที่เป็นมหานิสงจะได้มาคอยอนุโมทนาบุญกับเหล่าญาติถ้ากลัวลูกหลานจะลืมก็อัดเทพส่งฝากข้อความไว้ถ้าเกิดมีความคิดหรือใครมาบอกให้รีบไปบังสกุลแล้วจะต่ออายุได้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 จะตุปั จ, จไตยธรรมไปถวายพระสงฆ์แล้วขอให้ท่านช่วยชักผ้าบางสุกุลเป็นการแก้คล็ดให้เท่านั้นเป็นกำลังใจสำหรับผู้ขวัญหนีดีฟอร์หรือผู้เสียขวัญเท่านั้นข้อที่สให้ท่านใช้เวลาที่เหลือ สงบสติอารมณ์และสร้างบุญกุศลที่จะได้มากที่สุดคือการปฏิบัติธรรมสำรวมกายวาจาและใจให้ตั้งอยู่ในศีลให้สะอาดบริสุทธิ์เตรียมไปพบภูมิต่อไปหรือที่จะไปในสัมปรายพบเบื้องหน้าพยายามรวมใจให้หยุดให้นิ่งให้สงบ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 ให้หยุดอยู่ตรงที่ตั้งของใจที่พร้อมจะไปแล้วอย่างผู้มีสติไม่พงศานหาที่ยึดเกาะไม่ได้พบภูมิที่จะไปก็ย่อมเป็นสุกติพบหรือภูมิที่ดีดังมีพระพุทธภาษิตว่า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 แต่วันนี้ไปจะกราวโอวาดสุดท้ายที่เรียกว่าปัตชิมวาจาตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปกาถาว่าภาสิตาโขภคะวาปรินิพพานสมยเย อ, อยังปัจชิมักวาจาหันทธานิพิขเวอามันตะยามิโว วิยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธแปลเนื้อความเป็นภาษาไทยว่าริ่งอยู่วาจาสุดท้ายนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งแล้วว่า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 ได้ความดังนี้สาธุชนทั้งหลายเมื่อท่านรับฟังบทความเรื่องนี้แล้วจงทราบเถิดว่าวันนี้ท่านเตรียมพร้อมที่จะประเชิญกับความจริงที่ทุกคนจะต้องประสบหรืออย่างถ้าท่านพร้อมแล้ว ก็นับว่าท่านเป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตและทำชีวิตของท่านไม่ให้สูญเปล่าเป็นผู้ที่ดำเนินตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและระลึกถึงปัดฉิมวาจาของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง ทุกชนก็ได้รับฟังสารคดีธรรมะเรื่องถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายจบไปแล้วก็คงจะได้ข้อคิดเพื่อที่จะน้อมถึงมรณสตินั้นมาสู่ใจเราเพื่อที่จะได้เกิดความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเรามีความตายแน่แท้ชีวิตของเราไม่ยั่งยืน แต่ความตายของเรายั่งยืนสังขารทั้งหลายทั้งปวงของเราหวัดข้างหน้าต้องแตกดสิ่งที่จะเป็นชนกกรรมนำให้เราไปเสวยในต่อไปนั้นก็คือเหตุในปัจจุบันที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่คือกรรมดีกรรมชั่วนั่นเองสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้นำสาระหลากหลายข้อธรรมะ มาให้สาธุชนได้ศึกษาได้รับฟังกันก่อนจากกันวันนี้สาธุชนก็อย่าลืมมันปฏิบัติในหลักของการทำบุญในพระพุทธศาสนาคือศีลสมาธิและปัญญาคือการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาชำระจิตใจให้ผ่องใสเมื่อเรามีบุญมีกุศลอย่างนี้แล้วก็อย่าลืม แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์อาตมาจะข อ, อนำบทแผ่เมตตาที่บุรพาจารย์ในอดีตได้กล่าวไว้ให้พวกเราได้ใช้กันในการลดเวรไภทั้งปวงเพราะเราไม่ทราบว่าในอดีตนั้นเราเคยสร้างกรรมสร้างเวรกับท่านใด้ไวบ้างปัจจุบันนั้นเขาอาจจะคอยหรือ ตามจองล้างจองผ่านเราอยู่ฉะนั้นเราควรไม่ประมาทเมื่อทําบุญแล้วก็ควรจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรดังมีบทดังต่อไปนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจ ช, ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วอย่าลืมอุทิสวนบุญสุนกุศลเป็นการปรวน้ำย่อให้แก่เหล่าญาติของเราทั้งหลายดังนี้อิทังเมยาตินังโหตุ สุขีตาโหนตุยาเตยโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแต่ความสุขเกิดและสาธุชนเมื่อฝึกปฏิบัติดังนี้มันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตต์และเหล่าญาติของเราทั้งหลายดังนี้ก็จะทำให้เราเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายและจะไม่มากไปด้วยเวรภัยอุปสรรคในการดำเนินชีวิตทั้งปวงเป็นการลดเวรลดภัยลงไปในตัวสำหรับวันนี้ทางรายการธรรมะสุสันติก็นำสารธรรมหลากหลายมาฝากท่านสาธุชนและช่วงท้ายยังมีคำนำแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลด้วย ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาธุชนผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และสาระจากทางรายการสําหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังผู้สนใจไฝ่ธรรมโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันขอใหท้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืน ทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร